ต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของมุทิตาเออมุทิตาเนี่ยก็อพอายินดีเนี่ยนะพอายินดีชนทั้งหลายย่อมยินดีต่อผู้พรั่งพร้อมโดยสมบัติโดยธรรมชาตินั้นในธรรมชาตินั้นอันเป็นเหตุให้ยินดีผู้พระ่งพร้อมจึงเรียกว่ามุทิตาหรือแปลบอกว่า ธรรมชาติใดย่อมยินดีเองธรรมชาตินั้นก็เรียกมุทิตา1นึงก็คือตัวมุทิตากับตัวเป็นเึกถึงคนที่เขาพลั่งพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆแล้วก็มีความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายนี่แหละคือคุณสมบัติของเขาเพียบพร้อมอยู่แล้วเนี่ยมุทิตาจึงกลายเึงความยินดีความพรอยยินดีต่อความสาเร็จ ยินดีต่อคุณสมบัติต่อความงามของบุคคลอื่นก็คือว่าเห็นคนอื่นเขาได้ราบได้ยศได้ความสุขได้รับการสรรเสริญก็เกิดความรู้สึกก็ยินดีก็เกิดขึ้นแก่สาธุชนเมื่อได้ประสบพบเห็นบุคคลหรือบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จเหล่านี้ในปัจจุบันหรือถ้าทราบข่าวว่าเขาจะประสบความสําเร็จในการต่อไปก็โหยินดียมุทิตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้แยกในรายละเอียดคําว่ามุทิตาแทนมุทิตาเทียม มุทิตาเทียมนี่เป็นยังไงพอยินดีด้วยเพราะเราไปยินดีกับบุคคลอื่นแล้วเราได้ไประโยชน์คนนั้นเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ปู่ตายายายเราได้รับหน้าตาเกียรติยศชื่อเสียงไปด้วยเราจึงไปยินดีกับเขาเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นมุทิตาเทียมมุทิตาแท้นี่แหละที่จะต้องมาเจริญน่ยนะประการแรกก็ต้องเตรียม อันดับแรกก่อนเกินนปกปกกิจเบื้องต้นตัดกังวลในที่อยู่ในตระ ก, กูลในลาบสการาทั้งหลายเป็นต้นไปจนถึงนั่นแหละฤทธ์ตัดความกังวลเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญกรุณาเออเจริญมุทิตาอันดับแรกผู้ปฏิบัติกใกล้พิจารณาเห็นโทษของอรติ คือความไม่ยินดีต่อคนความดีของบุคคลอื่นบคคบางคนเป็นคนไม่ชอบโมทนาบุคคลอื่นไม่ชอบสาธุดีแล้วเนี่ยเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยมันยินดีกับเขายากมากบางทีก็เป็นคนเฉยเมยอะเฉยเมยหรือบางคนก็เป็นคนที่มีกำลังลิษยาสูง มันก็เลยมุติตากับคนอื่นไม่ได้ไอริสยาเป็นเหตุการแปลกแยกเลยนะเป็นเหตุแห่งการทะเลาอะ บ, บอแวแดงกันด้วยเจ้าบ้าในส ก, การป์ปานาสูตรเนี่ยทา้าสกาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเนี่ยเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่บุคคลบวกมนุษย์เทวดาหน้าคดคนทันเนี่ยทั้งๆ ท, ที่มีความปรารถนาที่จะให้รักกันบุคคลเหล่าเนี้ หวังดีต่อกันหวังให้ปองดองกันรักกันสามัคคีกันแต่ทําไมมนุษย์เทวดาน้าคดคนทันจึงไม่ประสบความสําเร็จยังต้องแปลกแยกกันอยู่นี่แหละขัดแย้งกันทะเลาะกันเนี่ยอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยพระเจ้าก็บอกเลยบอกว่าลิษยาเลยความตณีเออไอลิษยาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยต้นๆเลยที่เป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งกันฉะนั้นวเวราเจริญมุทิตาเนี่ยช่วยได้ ทำลายซะเลยความไม่ยินดีทำลายลิสยาทิ้งเกลี้ยงเนื้อเห็นโทษของความไม่ยินดีเห็นโทษของลิสยาเนี่ยและเห็นคนของมุทิตาและเห็นความดีของคนอื่นอา้าพิจารณาทั้งอานิสงส์ของมุทิตาเสก่อนและก็ไปพิจารณาเห็นโทษของอารติ อารติเนี่ยความไม่ยินดีเป็นอกุศลมีสภาพไม่พอใจไม่ยินดีด้วยเป็นเหตุทําให้จิตใจเศร้าหมองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทําลายกุศลธรรมให้สิ้นไปแล้วก็ในส่วนจริงกายสุจริริตรวจีสุจริริมโนสุจริเนี่ยจะโดนเขาทําลายด้วยขัดขวางกุศลธรรม อ, อื่นๆศีล ส, สมาธิปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้เลยและเป็นเหตุให้อกุศลอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปอีกด้วย เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นโทษของอารติอย่างนี้แล้วประพิจารณาถึงอนิสงค์ของมุจจิตา11ประการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รัก ข, ของอมนุษย์ไปสัตรายาพิษโลกร้ายไม่เบียดเบียนสีหน้าป่องใยสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยาเป็นต้นตายไปแล้วก็เป็นพรห ม, มโลกเลยพิจารณาเงี้ยนะ เมื่อเห็นโทษของอาติเห็นในสองมุติตาแล้วก็ทําความเข้าใจต่อบุคคลที่เราจะเจริญมุติตาไปถึงในพระพิธรรมกล่าวว่ามุติตามีสุ ข, ขติตัสัต์แปลว่าบัญญัติเป็นอารมณ์คือผู้ปฏิบัติจําต้องเจริญมุติตาไปในบุคคลผู้เป็นสุขบุคคลที่ประสบคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนี่แหละเมื่อเริ่มเจริญจําต้องเจริญต้องรู้จักบุคคลที่เป็นโทษก่อนในระดับแรกดังกล่าวเนี่ย บุคคลที่เป็นโทษต่อการเจริญมุทิตา5จําพวกแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มแรกกลุ่มที่1ไม่ควรเจริญมุทิตาไปใน3บุคคลแรกปียปุกโคลบุคคลที่เรารักหรือเป็นที่รัก2มั ช, ชโตบุคคลที่เป็นกลางกางไม่รักไม่ชัง3เวรีบุคคลบุคคลที่เป็นคู่เวีนกันนี่ไม่ควรในบุคคล3จําพวกเนี่ยผู้ปฏิบัติ ที่ไม่ควรเจริญมุติตาไปเป็นอันดับแรกเพราะอะไรเพราะบุคคลผู้เป็นที่รักนั้นก็ไม่เป็นบรรทัดฐานพอที่จะให้มุติตาเกิดขึ้นได้ในอันดับแรกเนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นที่รักเป็นที่รักไข่กันเคารพกันอย่างธรรมดาแต่ขาดคุณสมบัติพิเศษประจําตัวเช่นความเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานความเป็นผู้ฉลาดในการทักทายปราศัยความเป็นผู้พูดจาไพเราะเนี่ยไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ ความเป็นผู้มีมรญาติอ่อนโยนทั้งหลายไม่มีและความสนุกสนานล่าเริงเป็นต้นมันไม่มีไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เห็นไหมเขาตัดเหลือ3าแค่นั้นเองบุคคลที่รักธรรมดาเนี่ยยังเจริญไม่ได้จเจริญยากนั่นเองจเจริญแล้วมุทิตาขึ้นยากเป็นการปฏิเสธเพราะไปมองแล้วสมนัตไม่ค่อยเกิดผสมนัตไม่เกิดมุทิตาเป็นไปกับสมนัตนี่ก็เลยไม่เกิดไม่ค่อยเกิด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติประจําตัวแม้จะนับเนื่องอยู่ในจำาพวกคนที่เราลักนับถือก็ไม่พอที่จะเป็นเหตุให้มุทิตาเกิดขึ้นในระดับแรกๆหรือระดับต้นๆบุคคลที่เป็นกลางๆไม่ต้องพูดถึงเลยมุทิตาเกิดยากอยู่แล้วศัตรูด้วยแล้วเนี่ยโหใครจะไปพอยินดีกับความสําเร็จของศัตรูเนี่ยแรกๆจริงๆ จ, งจึงเป็นเรื่องต้องคัดกรองให้ชัดในการเจริญมุทิตาเนี่ยกลุ่มที่2 บุคคลที่ไม่ควรเจริญมุติตาเนี่ยสองจงพวกก็คือลิงคะสภาครัปกโคลอก็คือบุคคลที่ห้ามเจริญมุติตาโดยเจาะจงคือบุคคลที่มีเพศต่างกันตรงข้ามแล้วกาลกระตาปุกโลก็บุคคลที่ตายไปแล้วไป่รู้จะมุติตายัางไงบุคคลนั้นไม่มีอัตภาพให้อยู่รองรับมุติตาที่เราจะเจริญแล้ว ในสองจำพวกนี้ไม่เป็นเขตที่ควรจะนํามาเจริญเป็นอารมณ์มุทิตาเออการเจริญกรรมาฐานเนี่ยนะประเภทที่1 ห, หากเมื่อเจริญมุทิตาไปถึงแล้วราคะไม่เกิดก็เจริญไปได้เช่นเจริญมุทิตาไปในพ่อแม่พี่น้องพี่หญิงแต่หากเมื่อเจริญไปแล้วแต่าราคะความกําหนัดเกิดไม่ควรเจริญดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติต้องคอยเรามาระวังให้มากสําหรับประเภทที่2 ไม่ใช่เขียที่จะเจริญมุทิตาไปได้โดยในที่กล่าวแล้วในเมตตาภาวนาเหมือนกันเนาะอันดับแรกเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอาติความไม่ยินดีอ น, นิสงฆ์ของมุทิตาคือความยินดีแล้วเนี่ยตลอดถึงบุคคลที่เป็นโทษต่อการเจริญมุทิตาพิจารณาแล้วก็พิจารณาถึงบุคคลที่ควรเจริญมุทิตาลำดับที่1ก็คือเจริญมุทิตาไปเลยตนเอง ลำดับที่2เจริญมุทิตาไปในบุคคลที่เป็นที่รักลำดับที่3เจริญมุทิตาในบุคคลที่เป็นกลางๆลาำดับที่4ก็เจริญมุทิตาไปในบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรกันเอาอะไรแต่เนี่ยวิธีการเจริญในบุคคลที่เป็นที่ในตนเองเนี่ยนะลำดับแรกเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องเจริญไปในตนเองเป็นระดับแรกด้วยการภาวนาซ้ําแล้วซ้ําอีกร้อยครั้งผ่านครั้งดังกล่าวจนกว่ามุทิตาจะเกิดขึ้น การคอยยินดีตัวเองเนี่ยจะเลยได้ง่ายบางคนบอกแม่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยมีความดีที่ผมจะยินดีเอเคยนึกถึงตนเองแล้วเคยยินดีตัวเองบ้างไหมพอยินดีกับตัวเองมีบ้างไหมมีความดีใดๆที่ตนเองกระทาแล้วพิจารณาแล้วมุทิตาเกิดมากนี่ไหมตั้งแต่เกิดเป็นคนกับเข้ามาเนี่ย ม, ม, ม, มีอะไรสมเเ็จมีอะไรเอาที่พิจารณาแล้วรู้สึกมันชื่นฉ่ำใจโมทนาแล้วโมทนาอีกอะไรเรื่องอะไร เ, เนะรื่องอะไรอธิลาวเรื่อ ไม่มีอเลยหรื อ, อทำไมนึกไม่ออกอะ่ะมันน่าจะประทับใจนะอะไรนึกไม่ได้เลยอ่ะเช่นเช่นอ๋อก็แสดงวิธีตาเกิดง่ายเนะี่ยนี่ไงที่ที่จะบอก นั่นแหละที่จริงบางทีเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเราดีใจใช่ไหมะแล้วอย่างนี้ต้องไปสวดทุกวันมั น, นะ ม, ะมันเชื่อมใจใช่ไหมคุณความดีที่เราทำนันโมทนาพอยินดีกสมคุณสมบัติ ท, ที่เราได้ก็คือว่า จเจริญมุทิตาจนจิตอ่อนโยนจิตตั้งมั่นจิตเป็นกุศลจิตควรต่อการงานเพื่อประโยชน์แก่การเป็นสกีพยานแก่การจเจริญ น, นะในบุคคลอื่นถ้าเราไม่สามารถทํามุทิตาให้เกิดขึ้นกับตนเองนี่โอ้มุทิตาคนอื่นยากมากคนบังคนจึงเป็นคนที่พอยินดีกับคนอื่นได้ง่ายมากเหตุผลก็เพราะว่ า, วาเวลาไปทําดีนิดๆหน่อยๆแล้วเหม่มันชื่นฉ่าใจอ่ะปีติเกิดง่ายปราโมทย์เกิดง่าย นันทุ่มเททําให้เต็มที่เวลาทำความดีทั้งหลายเลยอันนี้แหละจะเป็นอารมณ์ของมุทิตาได้ง่ายจะเป็นเหตุทําให้จิตน้ํามั่นคงเป็นปัจจัยกับการบรรลุคุณสมบัติที่สมาธิตั้งมั่นเป็นอุปจาระเป็นอัปนาเป็นต้นได้ต้องทำบ่อยๆโมทามิวัตายังอาหารอโหสาธุอโหสุตถุเรานี้ร่าเริงจริงหนอดีจริงหนอช่างดีจริงหนอะแหละ เรานี้ร่าเริงจริงเนอะดีจริงหนอช่างดีจริงหนองนั้นเลอาหารยถารัทธาสัมปติโตมาวิคัตฉามิขอเรานี้จงอย่าได้พลาดภาคจากสมบัติที่ได้เลยก็คือว่าในขณะที่เราได้คุณสมบัติที่ดีทั้งหลายเราเนียนะได้อัตภาพที่ดีได้รับคุณสมบัติที่ดีได้รับสิ่งดีๆทั้งหลายภายนอกตลอดถึงเราได้ได้รักษาศีล ทั้งจารีศีลวารฤตาศีลปาทิโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะย ส, สันนิสิตาศีลได้ย่างจิตที่เป็นไปกับสมาธิได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณเป็นต้นเหล่านี้สิ่งทั้งหลายที่เป็นความดีทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ประกอบไปด้กายสุจริวตวจีสุจิริมโนสุจริตไม่มีจิตติเตียนภ ร, ริยาเจ้าเป็นต้นเหล่านี้สิ่งดีๆงามๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในต้นเหล่านี้สามารถระลึกถึงและเป็นมูติตาได้หมดเลย พเพรยิยนดีกับกรรมที่เรากระทาเป็นกุศลกรรมโอ้ยล่าเริงดีจริงหนอจังดีจริงหนอเนี่ยเพราะเรานี้จงอย่าได้พลาดภาคเกสมบัติที่ดีนี้แล้วหนอแล้วก็สพัพเพสาตามายังยถารัทธะสามปติโตมาวิคัตชันตุขอพวกเราทั้งปวงจงอย่าได้พลาดภาคเกสมบัติที่ได้แล้วได้มนุษย์สมบัติเนี่ยขออย่าได้พลาดภาคเกียความเป็นมนุษย์สมบัตินะได้อะไร ได้ศีลใช่ไหมได้สมาธิได้ปัญญาเนี่ยเป็นต้นน่ยขอให้สมบัติเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองในกระแสชีวิตของเราเนี่ยด้วยภาวนาจิตอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติพยายามอย่างเนืองนิดส่งจิตอันประกอบไปด้วยมุทิตาประกอบด้วยกุศลบาวนาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนมุทิตาปรากฏคือขึ้นจิตใจก็จะเด่นชัดตั้งมั่นได้ไม่ยากมุทิตาก็าไปพิจารณาสิ่งดีๆงามๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นฝึกให้เกิดให้มี ให้ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทําได้อย่างนี้สุดนะีถือว่าใช้ได้แล้วลำดับที่2การเจริญมุทิตาไปในบุคคลที่เป็นที่รักเมื่อผู้ปฏิบัติเจริญมุทิตาในตนเองจนจิตอ่อนโยนควรต่อการงานเพื่อสําเร็จเป็นสกิบพยานเป็นอันดับแรกแล้วเนี่ยลำดับต่อไปก็เจริญมุทิตาในเนบุคคลที่เรารักเลยซึ่งเป็นบุคคลประเภทที่ผู้ปฏิบัติสามารถเจริญมุทิตาได้ง่ายพพุทธเจ้าบอกว่า ผู้มีจิตประกอบไปด้วยมุทิตาก็แผ่มุทิตาไปในทิศหนึ่งอยู่นั้นนะ่ะคือทำอย่างไรพิษูจ์จิตประกอบไปด้วยมุทิตาแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกเหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่นๆซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจแล้วก็พลอยโมทนาพลอยยินดีด้วยวิธีการฝึกตรงนี้ไม่ยากนะเห็นคนทำดีทั้งหลายสาธุในใจบ่อยๆดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาด้วยนะจงขอให้เขาสาเร็จ เห็นเขาทำดีทั้งหลายอะไเนี่ยพยายามหาเรื่องราวเรื่องดีๆที่คนเขาทาดีทั้งหลายกับโมทนาปราบปลื้มเห็นเขาสวดมนต์ก็ปราบปื้มเห็นเขาทําความดีก็ปราบปลื้มเห็นเขาใส่บาตรก็ปราบปื้มพวกเราเนี่เห็นอารมณ์ดีๆกันเยอะใช่ไหมเห็นเขาถวายทานรักษาศีลปราบปลื้มวันพระนี่เห็นคนมารักษาศีลนั่งโอยแต่ละคนนี่แผ่มุทิตาได้เยอะไหมโอ้ยได้เยอะมาก ผูปฏิบัติกพิจารณาเลือกเอาเพื่อนที่เป็นที่รักมากจัดว่าเป็นบุคคลที่เป็นบรรทัดฐานที่จะได้มุติตาจิตเกิดขึ้นโดยง่ายหรือคนประเภทที่ท่านพระอัตถคตาจารย์บอกว่าง เ, เขาเรียกว่าพระประเภทที่พระท่านอัตถคตาจารย์เรียกว่าเพื่อนใจนักเลงซึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบสนุกสนานด้าเริงยิ้มก่อนพูดเสมอเป็นคนแบบนี้ไหมเยี่ยม ย, ยำำามแจ่มใส น้าเป็นบุคคลที่ควรเจริญมุติตาไปถึงก่อนกล่าวคือผู้ปฏิบัติได้เห็นก็ดีได้ทราบข่าวก็ดีถึงการกระทําคุณความดีทั้งหลายการประสบความสําเร็จอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจความชื่นชมยินดีอันเป็นเหตุใกล้ต่อการได้มุติตาแล้วก็เจริญไปทันทีโดยการภาวนาโ ม, โมทิติโมตายังปิยพุกโรอโหสาธุอโหสัตถุอสุทธุเนี่ย บุคคลผู้เป็นที่รักนี้ร่าเริงจริงหนอดีจริงหนอช่างดีจริงหนอเนี่ยอยังปิยปุกคารโยยถารัฐธสัมปติโตมาวิคัตฉตุขอบุคคลผู้เป็นที่รักนี้จงอย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลยเอเตปิยปุกคารโยยถารัฐธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอบุคคลผู้เป็นที่รักเหล่านี้จงอย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลย ผู้ปฏิบัติพึงนึกภาวนาในใจตามบทภาวนาแล้วแล้วเราเล่าไหลค้างร้อยค้า ง, างพันค้างจนมุทิตาปรากฏชัดในใจสามารถบรรลุเป็นอุปยาราเปนตนตได้ถือว่าสาเร็จแล้วต่อไปก็จเจริญในบุคคลที่เป็นกลางๆผู้ปฏิบัติเจริญมุทิตาในบุคคล ท, ท, ท, ท, ที่เป็นที่รักเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จเจริญไปจนสามารถทำมุทิตาเกิดขึ้น ต่อไปก็เจริญในบุคคลที่เป็นกลางๆวิธีการปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็พิจารณาความสุขความเจริญของบุคคลผู้เป็นกลางๆตรง น, นี้ท่านกล่าวว่าพึงเลือกเอาส่วนแห่งความรื่นเริงบันเทิงความสมบูรณ์พูนสุขมีเครื่องบำรุงบำเรออย่างเพียบพร้อมของบุคคลผู้เป็นกลางๆนั่นแหละซึ่งปรากฏอยู่ในชาติปัจจุบันหรือจะเกิดมีแก่เขาในชาติ ต, ต่อไปเวลาเห็นคุณความดีเห็นคนสร้างเหตุที่ดีเราก็รู้แล้ว เขาจะเป็นผู้มีอายุยืนยังไงเขาเขาจะเป็นผู้มากหรือสมบัติยังไงเขาจะเป็นคนที่มีความสุขในครอบครัวเป็นต้นอย่างไรเนี่ยเราสามารถเห็นเหตุเห็นเขาทาเหตุก็รู้ว่าผลจะเกิดขึ้นก็เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจนะก็เจริญมุทิตาพอยินดีชื่นชมยินดีอันเป็นเหตุใกล้ต่อการได้มุทิตาเนี่ยโมทติวัตายังมัชโตอโหสาธุอโหสัตสุทธุ บุคคลผู้เป็นกลางกลางนี้ร่าเริงจริงหนอดีจริงหนอช่างดีจริงหนออยังมัชโตยะถารัตธาสัมปติโตมาวิคัตชตุขอบุคคลผู้เป็นกลางๆงนี้จงอย่าได้พลัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลยเอเตมัชตายะถารัตธสัมปติโตมาวิคัตชันตุขอบุคคลผู้เป็นกลางกลเหล่านี้จงอย่าได้พลัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลย ผู้ปฏิบัติก็เพียรพยายามภาวนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าร้อยครั้งพันครั้งจนจิตใจเป็นสมาธิประกอบไปด้วยมุทิตาจนบรรลุภาวะที่จิตตั้งมัน่นเป็นต้นนั้นี่ได้แล้วคนกลางๆฝึกจนมุทิตาเกิดลำดับที่สีบุคคลที่เป็นศัตรูกัน ผู้เจริญมุทิตาในบุคคลที่เป็นกลางๆเรียบร้อยจนสามารถบรรลุถึงสมาธิแล้วต่อไปก็ขวนขวายในการที่เจริญใ้กับบุคคลที่เป็นเวรีบุคคลเป็นศัตรูเนี่ยดังที่ได้กล่าวต้องฝึกจิตให้อ่อนให้โยอ่อนโยนควรต่อการงานให้มากเพราะบุคคลที่เราจะมุทิตาในขั้นเนี้ยยากยากมากข่มจิตที่พลอยยินดีมาก ความชื่นชมมากในบุคคลที่เป็นกลางๆนั้นแล้วก็ลดลงมาตั้งอยู่ในภาวะความยินดีธรรมาดาแล้วก็เพียนเจริญ ม, มุธิตาไปในบุคคลที่เป็นศัตรูนี้นะเพื่อให้ความรู้สึกที่เป็นศัตรูต่อกรรันเน่ยเลือนหายไปภาวะที่จิตเป็นกลางๆแล้วก็ยกขึ้นสู่ภาวะที่พลอยยินดีแบบสามัญธรรมาดาแล้วก็พัฒนามุธิตาในบุคคลที่เป็นศัตรูกันต่อไปสามารถทําให้บันเทิงใจในบุคคลที่เป็นศัตรูเป็นต้นได้แล้วก็พิปากฏอยู่ในชาติปัจจุบันหรือจะปรากฏในชาติต่อไป โมทติวตายางเวรปุกระโอะอโหสาทุอโหสตุบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้ล่าเริงจริงเนาดีจริงเนาช่างดีจริงเนออายางเวรปุกระโอยาถารัทธปฏิโตามาคัดฉตุบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้จงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยเอเตเวรปุกรโรยะถารัทธสัมปฏิโตมาวิคัดฉันตุบุคคลผู้เป็นศัตรูนี้จงจะได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยเพียรพยายามยากหน่อยนะศัตรูเนี่ย แต่ก็ทำแล้วแล้แล่าจนสามารถบรรลุสมาธิได้ทําลายความโกรธความเครียดปฏิบัติสามารถทํามุทิตาให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ยากฉะนั้นการเจริญมุทิตาที่แสดงมาเนี่ยเป็นการเจริญในบุคคลที่บันเทิงในชาติปัจจุบันลําดับต่อไปก็แสดงมุทิตาไปในบุคคลที่กำลังตกทุกข์ได้ยากได้ไหมโดยพิจารณาถึงความลาาเริงบันเทิงในอดีตและความรื่นเริงบันเทิงที่เขาจะได้รับในอนาคต ีนี่ถ้าวถ้าหากจิตฝึกได้แล้วเนี่ยถึงแม้เขาประสบความทุกยังสามารถระลึกได้เลยเพอเขาเป็นมนุษย์นะเขาทำความดีมาระลึกถึงความดีในอดีตระลึกความที่เขาจะประสบความดีในอนาคตได้การสามารถที่จะเจริญได้ขนาดนั้นอันนี้เป็นการฝึกค่อนข้างค่อนข้างจิตที่ฝึกได้ดีแล้วนี่แหละผู้ปฏิบัติเจริญมือที่ตาไปยังบุคคลที่เราที่รักทิ่งปรากฏในอดีต เมื่อก่อนเขาเป็นคนมีความสุขความเจริญแต่บัดนี้เป็นคนยากจนเข็นใจและทําความชั่วเช่นนี้ก็เจริญมุติตาไปยังเขาในการระลึกสภาพที่เคยมาแล้วสมบูรณ์ไปแล้วในอดีตเมื่อครั้งอดีตเขาได้เคยเป็นคนร่ำรวยมีบริวารมากเป็นคนชอบสนุกสนานล่าเริงเป็นนิดก็เจริญมุติตาไปในอดีตได้หรือเจริญไปในอนาคตมีเป็นต้นนี่ก็เป็นหลักการเจริญ นอกนั้นก็เป็นการเจริญไม่ต่างกันนะเมื่อผู้ปฏิบัติยพยายามบรรเทาความโกรธแค้นในศัตรูให้ระงับแล้วโดยอุบายต่างๆจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็จะแผ่ไปแล้วก็น้อมไปแม้ในศัตรูคู่เวทเช่นเดียวกันในบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นต้นปฏิบัติมุดที่ตายบ่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ทํามุดที่ตายเป็นสีมาสมเพทะในบุคคล4ี่จำพวกทั้งตนเองบุคคลที่เรารักบุคคลที่เป็นกลางกลาและบุคคลที่เป็นศัตรู ตังได้กล่าวไว้แล้วว่าสีมาสามเพท่าก็คือทำลายขอบเขตของมุทิตาคือไม่ทําการแบ่งแยกว่าตนเองบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเป็นกลางกลาหรือเป็นศัตรูเนื่องจากบุคคล4ี่จำพวกเนี่ยเป็นสีมาคือเขตแดนที่จะแผ่เมตตาไปเราสามารถเจริญไปในแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตจนสามารถทําให้เชื่อมติดกันได้มีความเสมอกันได้ในบุคคล4ี่จำพวกที่สุดจริงๆเมื่อเจริญไปในลักษณะนี้จะเป็นปัจจัยต่อการทําปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌาน ในมุทิตาฌานเป็นต้นให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยทีนี้คำว่ามุทิตาฌานก็หมายถึงฌานที่ปรากฏขึ้นโดยการเจริญมุทิตาผลของฌานนี้ก็คือได้รับความสงบแห่งใจจิตที่เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่แหละเป็นผลพิเศษของการเจริญมุทิตาจิตที่ประกอบไปด้วยมุทิตาพอยินดีความชื่นชมยินดีนี่แหละของบุคคลที่แผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกหมูเ่เหล่าทุกทิศ ท, ทุกสถานนี้เรียกว่ามุทิตาฌานนะ มุลทิตาฌานก็เป็นไป2องในยะทั้งเป็นจตุกนาอและปัญจมนาอิเหมือนกันกับเมตตากรุณาที่ได้กล่าวมาแล้ววิธีแผ่มุลทิตาก็เป็นทั้งอนทุทิสาภรานาโอทิสาภรณาแล้วก็ทิสาปรณาแผ่ไปในไม่เจาะจงแล้วก็เจาะจงแล้วก็แผ่ไปในทิศ ท, ทั้งหลายเป็นต้นในหลักการการแผ่ก็ไม่ยากนีแผ่ สเพสัตตายธารธสัมปติโตมาวิคัตชันตุเนี่ยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพปานายธารธสัมปติโตมาคัตชันตุขอปลาณทั้งปวงจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพภูตายธารธสัมปติโตมาวิคัตชันตุขอภูตาทั้งปวงจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพปุกรายธารธสัมปติโตมาวิคัตชันตุ ขอบุคคลทั้งปวงจ ง, งอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพอัตาภาวะปริยาปันายะถาระธสัมปติโตมาวิคัตชันตุขอบุคคลผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยอันนี้โดยไม่เจอดจงถ้าโดยเจอะ <authorization> จงก็สเพออติโยยะถาระธสัมปติโตมาวิคัตชันตุขอสติทั้งปวงจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลย สเพปุริษายถารัต t สัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอบุรุษทั้งปวงจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพอนริยาญาถารัต t สัมปติโตมาวิคัตฉันตุก็ขอภริยาทั้งปวงภริยาเจ้านี่ยจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพอนาริยายาถารัต t สัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอปรุชนทั้งปวงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลย สเพเทวายถาลธาสัมปติโตมาวิคัตชันตุขอเทวดาทั้งปวงจงอย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลยสเพมนุษายถาลธาสัมปติโตมาวิคัตชันตุขอมนุษทั้งหลายเนี่ยจงอย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลยแล้วสะเพวินิปาติกายถาลธาสัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอพวกวินิปาติกาอบายาสทั้งหลายจงอย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วเลยทั้งหลายเป็นต้นอันนี้ต่อไปก็แผ่ไปในทิศที่ได้กล่าวไว้แล้ว ไล่ไปตามลําดับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นยถ า, ารละธาสัมปติโต ม, มาวิคัตชตตุนอกนั้นสัพเพปุรุติมายะที่สายะก็ม่สัตว์ทั้งหลายในทิศบุรพาจงอย่าได้พัดภาคจากสมบัติที่ได้แล้วเลยก็ไล่ไปตามลําดับนอกนั้นก็ไม่ต่างกันนี่คือการเจริญมุทิตาพรหมวิหารที่เป็นไปตามลําดับอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามความบากบัน่นความมีใจรักในการที่จะทํา เมตตากรุณามุทิตาแล้วเบรกาสามตัวนี้เวรขายังไม่ได้อุเบกขาต้องเอาไปเจริญหลังจาก3ตัวเนี่ยสามคุณธรรมสมประการนี้จนชัดเจนแล้วถึงจะเจริญอุเบกขาได้นะมีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วนะเอาแล้ววันนี้สมควรแก่เวลาต่อไปก็เอาไปฝึกเอาไปเจริญเอาไปกระทำกันเหลือเวลาเนี่ย นั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เกิดความเข้าใจแล้วไปเจริญเริ่มเลยนะเจริญได้ตลอดเลย <Yeah. S 1> ขอให้ประสบความสำเร็จก็มโหธานะด้วย